พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าความการุณาของพระพุทธองค์ วันเข้าพรรษาเมื่อวานในลูกหลานวันที่สิบสองวันที่สิบสองกรกดาห7เเป็นวันเข้าพรรษาวันที่11เเป็นวันอาสาระบูชาวันอาสาระบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์คือวันอาสาระบูชา ลูกหลานศรัทธาญาติโยมบางทีถามน่ะถ้าจะถามเป็นเรียงตัววันอาสารหบูชาคือวันอะไรเนี่ยคงจะตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นภาษาพระแล้วก็ความหมายของวันอาสารหบูชาวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวัน มาฆบูชาเนะี่ยคือเป็นวันที่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าตั้งกฎระเบียบปกครองสงฆ์วันมาฆาบูชาคือพระสงฆ์พัน250รโกมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะจากนั้นพระองค์ได้บัญญัติวิณในให้โอวาทปาติโมกบัญญัติเรื่องพิณในปกครองสงฆ์ปก กฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองสงฆ์วันมาฆบูชาวันเดือนสามเพนแต่วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือวันเกิดวันเกิดของพระพุทธเจ้าและวันเป็นวันตัดสรุธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันปรินิพานคือวันตายของพระพุทธเจ้าคือสมวันจวบเหมาะคือวันเดียวกัน โดยที่ว่าเป็นวันเดียวกันวันประสูติวันตัตรุธรรมแล้วก็วันป ร, รินิพานคือวันวิสาขาบูชาส่วนวันอาสาหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกทั้งสามรัตนะคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ธรรม วันเดือนหกแผ่นที่พุทธคยาที่เมืองอินเดียประเทศอินเดียที่พุทธคยาที่โครนต้นโพได้ตัสรุพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อท่านได้ตัสรุที่นั่นแล้วท่านก็ได้สวยวิมุตติสุขคล้ายๆว่าสุขเกิดจากการตัสรุของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สเสวยวิมุตติสุขแห่งได้7วัน7วัน7จ็ดวัน ที่โคนต้นโพ่เจวันที่โคนต้นไทเจวันแล้วก็ที่สะมุดจลินเจ็ดวันแล้วก็ที่อีกที่ไหนอีกเป็น3าสี่ที่แต่สาวบดมุดจรินอพอพระองค์นั่ง เ, เข้าเสวยวิมุตติสุขฝนตกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนพญานาค นาคคราชได้มาแผ่พังพาลเป็นเป็นที่มุงบังให้กับพระพุทธเจ้าที่พวกเราเห็นว่าพระนาคปกพระนาคปกน่ยคือพระพุทธเจ้าได้จัดตั้ดรู้แล้วก็ได้เข้าได้ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันแล้วก็ฝนตกนาคก็เลยเอามาแผ่พังพาล รักษาไม่ให้ฝนตกถูกพระพุทธเจา้าอันนี้คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขในที่ต่างๆในละแวกนั้นใครเข้าว่าท่านรละลึกถึงบุญคุณในพื้นแผ่นดินตรงนั้นจุดนั้นที่พระองค์ได้บรรลุรือว่าได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ก็จะทำอย่างไรอีกต่อไป ท่านจะทำยังไงเราจะทำยังไงอีกต่อไปพระองค์ก็พิจารณาถึอเราทำของเราที่ได้ตัดรู้เนี่ยเป็นธรรมทวนกระแสคล้ายค้ายกับว่าโลกของเขาเนี่ยไหลไปทางราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงหลงไหลในการเป็นอยู่บ้านของข้าที่ดินของข้าเงินคาทรัพย์สมบัติของข้า สามีภรรยาลูกหลานเป็นของข้าร่างกายเป็นของข้าแต่เมื่อเราพิจารณาในธรรมของเราที่ได้ตัดรู้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราน ะ, ะมันเป็นเพียงของอาศัยเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นเราจะไปสอนเขาว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวของพวกท่านนะไม่ใช่ของเรานะ เป็นของอนิจังทุกขังอนัตตานะเขาจะเชื่อไหมเนี่ยเพราะเขาเคยเคยมาทางนั้นอยู่แล้วเราไปบอกเหมือนกับทวนกระแสเข า, าเขาว่าใช่เราก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นการทบทวนกันเป็นการที่หักล้างกันเราจะไปสอนเขาได้ยังไงคนทั้งโลกเขาเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วพระพุทธองค์เขาขวนขวายขวนขวายน้อยแค่แค่ว่าเอา เมื่อเราได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็ควรจะนิพานไปแล้วตายไปซะเพราะเราจะสอนเขาคงจะไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าเขาโลกทั้งโลกเขาไหลไปทางนั้นอยู่แล้ว เ, เราจะไปสอนให้เขากลับจิตกลับใจเนี่ยคงจะยากคงจะเหนื่อยเปล่าพระพุทธองค์ท่านนั่งลำพึงอยู่ตามลำพังพระองค์นะ ตอนนี้พวกพรมพวกเทวดาทั้งหลายพวกพรมทั้งหลายพระวิโตกว่าเอพรพุทธองค์จะไม่สอนไม่ถอนไม่สอนคนแล้วดูดูแล้วมีความขนขวายน้อยเจะแล้วจะตัดช่องเฉพาะตัวเองท่านจะปรินีิพานหรือท่านจะไม่สอนใครแล้วเอ่อทำให้โลกจิบหายถ้าท่านไม่สอนคนให้เป็นคนดีได้ตอนนี้พรมก็เลยลงมากับพร้อมกับเทวดา หมู่พรมทั้งหลายก็ได้มากราบประัตนาพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงพระเมตตาโปรดสัพพสัตด้วยเทินเพราะว่าผู้มีกิเลสน้อยผู้มีทุรีน้อยผู้ได้สร้างบุญบา ร, รมีมายังมีอยูออ่ที่จะรับบุญที่จะได้รับธรรมของพระพุทธองค์พรมเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับ ดอกบัวสี่เหล่าพร้อมที่จะบานก็มีอยู่พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็มีอยู่ในกลางน้ำก็มีอยู่ในโคลนตมก็มีนี่อันนี้ก็คือผู้ที่บําเพ็ญมาเหมือนดอกบัวสี่เหล่ายังมีอยู่พระเจ้าค่ะขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมโปรดพวกที่จะเบ่งบานในเร็ววันด้วยเถิด อันนี้ก็คือพรมลงมาแล้วก็ทั้งกล่าวเป็นว่าพรมมาจะโลกาติปติสามปติที่พวกเอาเราตนาเอ่ออาราธนาคืออาราธนาเป็นธรรมคือพรมอาราธนาก่อนที่พระจะแสดงพระธรรมเทศนานะเขาให้พรมอาราธนาอันนี้ก็คือความหมายก็คือพรมพระพรมอาราธนาพระพุทธเจ้าให้โปรดแสดงธรรมพระพุทธองก็มองดูเิเออ ใช่ผู้ที่บุญบารมีของเขาสั่งสมมาก็มีอยู่เหมือนกับเราเนี่แหละเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เทวดามาจากที่ไหนเรายังบรรลุพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่ผู้มีโทรีหรือว่าเป็นผู้มีกิเลสเบาบางก็พร้อมที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลได้เราควรจะไปโปรดเราควรจะไปโปรดให้ผู้ที่มีบุญ ที่ได้สั่งสมมาพร้อมที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นพระองค์ก็รับอาราธนาพรถท่านก็ทอดพระเนตรเราทอดญาณรัตนะของพระองค์ไป เ, เราจะไปโปรดใครก่อนนะเนี่ยคล้ายๆว่าเราจะไปโปรดใครก่อนในคราวนี้ครั้งนี้ท่านก็มองไปดูไปเห็นไป มองไปเห็นดาราดาบทอุตกะดาบทคือฤาษีในละแวกนั้นน่ะในละแวกพุทธคยาน่มีที่พักของฤาษีสำนักของฤาษีกลุ่มละกลุ่มละ500ร้นะ500คนเป็นกลุ่มฤาษีเหล่านั้นก็ปฏิบัติของท่านทอนี้พระองค์ไปอยู่ในในแถบนั้นก็เข้าไปศึกษาไปศึกษากับดาลาดาบุตร เป็นลือสีกลุ่มห้าร้ออาจารย์ด า, าราบทได้สอนให้สิทธถนะเนี่ยบอกว่าการปฏิบัติของผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์พระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามได้หมดทุกอย่างที่ดาบทได้สอนออก็บอกให้ดาบทว่าที่ท่านสอนมานะั้นผมปฏิบัติได้ทุกอย่างท่านก็โอ้ดีแล้วท่าน ดีแล้วท่านสิทธาผมก็อายุแก่มากแล้วขอให้ท่านเป็นอาจารย์แทนผมเถอะนะลุกสิทธิ์ตั้ง500ร้อไม่มีใครได้อย่างท่านขอให้ท่านเป็นอาจารย์แทนผมเถอะนะผมจะมอบลูกสิทธิ์มอบวัดให้ดาราดรบดจะมอบวัดให้พระพุทธเจ้ามอบให้สิทธัธาตนะท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะสิทธาโอหยังหยังไม่รับครับเ อ, อ, เอาไว้ก่อนจากนั้นท่านก็ออกมาอีกไปหา อ่อุทธกาดาบทคือฤาษีอีกกลุ่มหนึ่ง500เหมือนกันเข้าไปหากศึกษาอีกท่านฤาษีคนนั้นก็สอนอีกสิทธิฐานเนี่ยก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างอย่างที่ฤาษีท่านสอนให้แต่ท่านฤาษีเนี่ยก็มอบวัดให้อีกเพราะท่านอายุแกแล้วให้สอนลูกศิษย์ของท่านต่อไปแต่พระองค์ก็ไม่รับเพราะว่าเออพระองค์ดูดูแล้วว่ายังไม่ถึงจุดจบ เ, เพียงแต่สมาธิเท่านั้นยังไม่ใช้ปัญญาขนทางที่จะหลุดพ้นไปได้เพียงแต่ว่าลังงับเหมือนกับหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเอาแผ่นกระดานเอาแผ่นไม้แผ่นกระดานเนี่ยไปทับไว้หรือกับแผ่นหินทับหญ้าเท่านั้นยังไม่ได้ขุดลากถอนโคนของกิเลสพระองค์มองแล้วยังไม่ใช่ทาง จากนั้นก็น ล, าลาลาฤาษีทั้งสองท่านนะมาบําเพ็ญโดยพระองค์เองที่พุทธกยาที่โครนต้นโพนะบําเพ็ญทรมานพระองค์เองอดภักกายหารถึง49่สิเก้าวันทรมานร่างกายของพระองค์จนพ่ายผอมผลนที่สุดก็ไม่ใช่ทางการทรมานกายไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกได้ท่านจึง ฉันพัฒาหานพอฉันพัฒาหารท่าบำเพ็ญทางด้านจิตใจทีนี้นั่งสมาธิวันเดือนหกเพนท่านนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระหายใจของโพรงรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมา ลำลึกชาติโหนหลังได้ปุเพในวาสานุสติยานละลึกชาติโหนหลังได้นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันเดือนหกเพนนะเออจากนั้นกับพอถึงเที่ยงคืนก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมองดูพวกเราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลก ทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งหูหนวกตาบอดคนหนึ่งบ้าใบ้คนหนึ่งร่ารวยคนหนึ่งยากจนคนหนึ่งสวยงามคนหนึ่งขี่ไายขีเล่คนหนึ่งพิกลพิการทำไมมันเป็นอย่างนี้โลกเพราะพระองค์ก็มองมอ ง, มองดูว่ากรรมกรรมคือการกระทำใครทำกรรมไม่ดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองกรรมจะจแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปต่างๆนานาเป็นไปคนละเรื่องละราวกันเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกเนี่ยแต่หลวงพ่อมองบ่งนะกรรน่ยเก่งจริงๆนะคนมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหลายร้อยคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันกรรนะกรเน่เก่งจริงๆจำแนกพวกเราให้ต่างกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเออทำไมกับเป็นแฝดก็เถอะ แฝดก็ยังมีแตกต่างกันอยู่นะอักับกิริยายิ่งแตกต่างกันอีกแฝดนะนั่นแหละอันนี้ก็คือแกะกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกัน น, ะนี่แหละพระพุทธองค์ก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็เสวยวิมุตติสุขอย่างที่ว่านะจากนั้นท่านก็จะไปโปรยไข่จะไปโปรดดาราดาบทุตกาดาบท ท่านก็ตายไปเสียแล้วพอคิดไปท่านทั้งสองท่านตายเพิ่งตายหมาดๆนี่แหละพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้โปรดคนตายนะโปรดคนเป็นนะแปลว่าคนตายแล้วหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจากท่านเท่ากับมองไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เป็นพระอุปธรมประทักเป็นลือสีอุปถาพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้า เร่งความภาคเพียนแล้วก็เจ้าท่านจะว่าเอาคอยดูว่าท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผละคอยดูไม่ได้ เ, เพราะกลับมาฉันจังหันปัญจวคีต่างห้าก็คลายคลายศรัทธาไม่เชื่อว่าสิท ธ, ธิฐานยจะได้สําเร็จมรรคผลเอคล้ายๆว่าคล า, ายความเพียรเวียนมาเป็นคนมรรคเสียแล้วกินข้าวเสียแล้วเอคงไม่ได้สําเร็จไปเราหนี นี่แหละปัญจวัคคีทั้ง5้าก็เลยหนีจากสิทธัตถะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งคือเมืองพาราณสีไกลจากพุทธกยาพอส้มขวดนะอพอไปไปแล้วก็ไปตั้งสำนักกันขึ้นมา5องค์คือปัญจวัคคีทั้ง5โกนธัญญาวะปะพัทธิยะมหานามอัชชชีห้าองค์ก็ไปอยู่ในป่ า, เ, าเป็นสำนักขึ้นมาจากนั้นพระองค์ก็อยู่ตามลําพังนะสิทธัตถะก็อยู่ตามลําพังเนะ่า ท่านก็บำเพ็ญของท่านท่านก็ไม่ได้พูดว่าเราบำเพ็ญอย่างนั้นเรามาเพนท่ท่านไม่ได้พูดเพราะมันยังไม่ได้สําเร็จมรรคผลจะไปพูดออกได้ยังไง เ, เราจะไปพูดอะไรนท่านเอาของท่านในจิตในใจใครจะไปรู้ใจของท่านท่านคิดเรื่องอะไรพอในสุดท่านก็ได้สําเร็จนะจากนั้นท่นก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งหาท่านก็เดินไป เ, เดินไปไปถึงกรุงพาราณสี ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นสิทธะมาแต่ไกลอแต่พายบาดมาแล้วก่นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนมองมองดูนัดกันเลยเออเห็นไหมนะสิทธะมาแล้วนะพวกเราเห็นไหมสิทธะมาแล้วไม่ต้องลุกไปต้อนรับนะเออนัดกันนะคล้ายๆกับว่าในใจในี่หมดศรัทธาอย่างมากมากเพางั้น เ, เห็นสิทธะคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมแล้ว ศรัทธาเออแล้วก็มาตั้งสำนักเห็นไหมศรีธัามาไม่มีใครอุปถรัรมปถาไม่มีใครดูแล อ, อ, อยากจะให้พวกเราอุปถักอย่างเก่าเห็นไหมมาหาพวกเราแล้วอย่าไปต้อนรับนะปัจจวคีรทั้งอาทำท่าไม่ไม่เห็นว่ า, างั้นเออมองเห็นแล้วก็ทำท่าไม่เห็นหันหลังให้แต่ศรีธัาก็เดินเดิ น, เ ด, นเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาแล้วตอนี้เพราะว่า สิทธาธารเป็นลูกของเจ้าพระเจ้าแผ่นดินพวกปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นลูกของพรามณ์พอเห็นเจ้านายแล้วจะไปแข่งกระด้างได้ยังไงเพราะว่าเป็นเจ้านายเหนือหัวมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะไปแข่งกระด้างไม่ได้ที่นัดกันไว้แหะอยไปดูอย่าไปแรมพนึงพนึงเห็นเท่านั้นโป๊บปั๊บกระโดดไป เ, เดินไปรับบาดพนึงก็ไปนะ เตรียมน้ําล้างเท้าคนหนึ่งก็ขึ้นไปปูอาชนะคนหนึ่งก็ไปหาน้ำํำมาต้อนรับเพื่อจะให้ดื่มได้ดื่มได้ฉันกติกากันที่ตั้งไว้ลืมหมดเพราะเงินต่างคนก็ต่างกูลีกูจอต้อนรับต้อนรับศิทธะฐานพอศิทธะฐานขึ้นไปนั่งอาสนะเรียบร้อยแล้วปัญจวคีก็ช้อยทำท่าหารหลังคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าไม่ไม่ศรัทธา แต่เขาลบยุตแต่ไม่ศรัทธาฮพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปัญจวัคคีย์พวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะพูดอะไรให้ฟังปัญจวัคคีย์ก็เชยก็พูดอีกเตือนอีกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านจงตั้งใจฟังเราจะพูดอะไรให้พวกท่านทั้งหลายฟัง ปัญจวคีก็ช่ยเตือนครั้งที่สามพอครั้งที่สมเส็จพระพุทธองค์สิทธัตถะก็บอกว่าสิทธ์ปัญจวคีคํานี้นะที่เราว่าพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเรามีเรื่องที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเคยได้ยินไหมคํานี้พวกเคยเคยได้ยินมาก่อนไหมคํานี้ปัญจวคียางคับอา้าวทายางก็ตั้งใจฟังสิ ปัญจวคีร์ทั้งห้าเลยมานั่งพอนั่งพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรนะฮะสูตรแรกนะนะแสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรให้ปัญจวคีร์ทั้งห้าฟังปัญจวคีร์ทั้งห้าก็ตั้งใจฟังพอไปถึงบทหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมะนะใครเข้าไปเห็นอินจังของไม่เที่ยง พระัญญาโกณทัญญาได้ยินคํานี้คําเดียวนะเห็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างลวกล้วนอนิจจังของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดในจั ก, กรวาลในเรื่องอะไรก็ตามศาลาหลังนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมจะพังอันไหนเกิดขึ้นมาแล้วมันพังแต่พังเร็วหรือพังช้าเท่านั้นนะอ่ามันเป็นอนิจจังทั้งหมดเกิดมาในโลกนี่แหละพระัญญาโกณระญะได้เห็นกฎอนิจจังท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบัต พอพระโสตบานท่านก็ขอบวชจากกับพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอบวชกับพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระองค์ก็ อ, อา้ารับพระองค์ก็เลยรับปัญจวัคคีย์รับพระอัญญาโกนัญญะบวชบวชเลยเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเหล่ากล่าวไว้ดีแล้วพอพูดเพียงเท่านั้นแหะด้วยการบวชในครั้งแรกนะ ระบวว่บวชโ ด, ดยเอหิภิกขุเนีพระอัญญาโกฏธัญญาก็ได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นวันอาสารหาบูชาคือวัน15คห้าค่ำนะเป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นขึ้นมาและพระสงฆ์สาวกคือพระอัญญาโกฏธัญญาเป็นองค์แรก ที่อุบัติขึ้นในโลกคือครอบพระไตราสารณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกคือวันอาสารหบูชาคือวัน15บห้าค่ำเป็นวันที่พระพุทธศาสนาครบพระไตรสารณครบสามและก็วันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนื่องเมื่อพระพุทธองค์ ประกาศพระศาสนาเพื่อเทศปัญ จ, จวัคคีย์ทั้ง5อันดับแรกก็คือธำมัจจักกับประวัตินสูตรพอต่อมาอีกเทศอีกอนัตตะรักนัสูตรนีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้สําเร็จเป็นพระหานทั้งหมดทั้ง5องค์จากนั้นก็แยกย้ายไปประกาศพระศาสนาพระองค์พระพุทธองค์ก็ไปอีกทางหนึง่งสี่ห้าองค์น่ยไปคนละทางกันไม่ให้ไปตามแนว ทางเดียวกันไปคนละทางกันพระพุทธองค์ก็เข้ากรุงราชาคฤห์จากนั้นประกาศพระศาสนาพระ ส, ระสงฆ์มากขึ้นเรื่อยๆถึงหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเนีพอหลายหมื่นหลายแสนเข้ามาบางกลุ่มก็ที่ไปทีละ500 อ, องค์บ้างทีละร0อองค์บ้างส อ, องสาม อ, องค์บ้างสี่หองค์บ้างแต่พระเหล่านั้นก็โดยมากเป็นพระอยู่ในเมือง เ, ออเป็นพระ ลูกพราหมงลูกเศรษฐีลูกพ่อค้าลูกกษัตริย์ไปเที่ยวาภาวนาอยู่ตามถ้ำตามภูเขาต่างๆตามป่ารงพงไพ่พอพปนั่งกับผ่านท้องนาเขาเนี่ยไปเหยียบคันนาเขาของคนเป็น4500ใช่ไหมละ่ะไปเหยียบคันนากันแหลกเหลวไปหมดเลยไปเหยียบเข้าไปผาสวนของใครสวนแตงสวนฟักแฟงแตงกวาของใครไปเหยียบพราไม่รู้จักอันนี้คืออะไรเหยียบ คือฟักแฟงแตงกวาเขาก็แหลกเล้วไปหมดอีกเหมือนกันนะคนทั้งหลายเขาติสิ น, นินทานี่โอ้สัมมาณะสักยบุตรเนี่ยแต่ศาสนาอื่นเขาก็ยังเข้าที่เข้าทางจำพรรษานกหนูปูปีเขาก็ยังทํารวงทํหลังหาโพคไม้อยู่แต่สัมมณาณสักยบุตรเนี่ยเที่ยวทั้งแรงทั้งผลไม่มีที่จําพรรษาไม่มีที่อยู่เลยไปเล่ร่อนไปหมดทาให ที่หน้าที่สวนเขาเดือดร้อนตีนี้ชาวบ้านเขาก็ติชินดินทาให้พระสงฆ์ที่มีอายุฟรนษาฝั่งพระสงฆ์ทลัยไปกราบทูนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าข่ะศรัทธาญาติโยมเขาตาหนิพระว่าไม่อยู่เป็นที่เพนทางในหน้าฝนไปเหยียบคันนาเขาไปเหยียบแปลงปลูกผักปลูกหญ้าของเขาทำให้เสียหายหนาแน่น เสียงติฉินนินทาหนาขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าข่าพระองค์ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติที่ไหนเรียกพระสงฆ์มาประชุมกันพอมาประชุมแล้วพระองค์ก็บัญญัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามบวชในศาสนาของเราตถาคตต้องจําพรรษาถ้าภิกษุใดไม่จําพรรษาปรับอาบัติทุกกฎปรับโทษเป็นอาบัติผิดศีลไปข้อนึ่งจําพรรษานั่นคือ ถึงเดือน8เพนให้จําพรรษ า, าแล้วก็ให้จําพรรษา3เดือนคือให้หมดเขตและดูฝนคือเดือน12เสองให้เดือน11เพ็ดเนจึงออกพรรษาได้จำพรรษาเดือน8เพนออกพรรษาเดือน11 เ, นเอ็ดพนสาเดือนอในขณะที่จําพรรษ า, าห้ามไปที่อื่นถ้าอยู่ในวัดก่ถ้าใครออกไปนอกราตาีคือใครยังไม่สว่างออกไปพรรษาขาด อยย่เว้นเสียแต่สัตหาการรมนิยะมีข้อแม้ขึ้นมาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยศรัทธายาิโยมเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าศรัทธาญาิโยมนิมนต์หรือว่ากิจนิมนต์หรือว่าหลังคาศาลามันรั่วเราไปหาเครื่องมุงมามุงศาลาแล้วก็พระสมณะหมูพวกเพื่อนมี เจ็บไข้ได้ป่วยมีความไม่ผาสุกกับไปห้ามปลามหรือ่าไปทำความเข้าใจได้สัตหะการนิยะไปได้ถ้าหาว่าไปเฉยๆออกไปเฉยไม่ได้ปรับอบัิทุกกฎเนี่ยนะ น, นี่แหละคือพระจำมัณษานะครับท่าทศไทยญาติโยมลูกหลานหน้าอันนี้คื อ, คอกฎระเบียบของพระสงฆ์ที่พระอยู่ในวัดไม่ใช่อยู่เฉยๆนะมีกฎมีระเบียบอ่า มีถ้าหาว่าพระสงฆ์ไม่มีสินไม่มีวินัยไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันก็ใครอยากจะทําอะไรก็ทําทําตามอำเภอใจทําตามอัธยาใจไม่ได้เข้ามาแล้วก็บวชอยู่ในกฎระเบียบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าว่าสากยาบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้มีศินเนี่มีศินวีวินัยสากยาบุตรพุทธชินโนรถนะมาพร้อมรือยังเน ถ้าลดลงมาไม่ได้ก็พร้อมกันก็ทำเลยแหละนะหลวงพ่อพูดข้าเวลาแต่ตามไม่จริงมันฆ่าไม่ตายลรวฆ่าเวลามันกินเราอยู่ตลอดนะ <c oughs> คูบายเห็นไหมลงขึ้นไปแล้วลงมาไม่ได้พวกก้อนมันแน่นขนาดนั่นแหละเอ อ, เ, อเริ่มเลยน ะ, นะพวกเรานะ <c oughs> พวกท่านทั้งหลายได้มาคารวะตามประเพณีวันเทศกาลเข้าพรรษาตามประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราพาดำเนินมาพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพาดพังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ พวกคณะสถาญาติโยมก็เช่นเดียวกันได้ประมาทพลาดพังหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหลวงพ่อเยินดีโอโหสิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาเสี่ยงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุด อหังขมามิตุมเหหิปิเมขมามิตั บ, บังเอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเบปมัชิตวาปัตซาโซนปะปมัชสติโซมังโลกังปพาเซติอภามุตโตวจันธีมาอภิวาทนาสีลิจานิจังบุทธาปจายีโนจัตตาโรโอธรรมาวาทฏานะ อายุวันโนสุขขังภาลาังเอา MP3 มาได้ในเธนิลูกหลานหนังสือมาเดี๋ยวจะแจกเม่เีเนี่ยเห็นหนังสือกายาคตาเสติเอาแจกหลวงพ่อเล็กกับคณะนะคนละเล่มลลมาเดิมหรือสิ